น้ำเปล่าหลอกค่ะไม่คัะน้องจะบริการมีเนื้อคุณโนมีหูมูคุณแมมและเนื้อสะโพกคุณแปมเป็นกับแปล้มตั้งบ้านเอาไม่ลักสักจานไอสามจานสีจาน เราบางบางไม่มีนา่งมานั่งจัจ๊กแล้วมันจะเมาหรือคะแล้วมันไม่เหงาหรอคะไหนคับออกเหงาหัวใจหาเสียงเจ้าแจวมาโยกแก้วคอยปอนแล้วหาหุ่นร้ร้อนมานั่งอ้อนแอบไอควรมีคนชิดใกล้เป็นเพื่อนใจเพื่อน ที่เราเลาับก ล, าล้าเร า, เาจะพา In love, l o v